ธรรมานุปัสสนานิวรณะบัพพะดูก่อนภิกษุทั้งหลายด้วยการปฏิบัติอย่างไรภิกษุจึงจะพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือนิวรณห้าอยู่เสมอได้ภิกษุในพระศาสนานี้เมื่อความพอใจยินดีในการมีอยู่ภายในจิตยอมรู้ชัดว่าความยินดีพอใจในการมีอยู่ภายในจิตของเรา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 ยอมรู้ชัดว่าความง่วงเหงาซึมเศร้าไม่มีอยู่ภายในจิตของเราอันหนึ่งความง่วงเหงาซึมเศร้าที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยความง่วงเหงาซึมเศร้าที่เกิดขึ้นแล้วจะละเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยความง่วงเหงาซึมเศร้าที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วย อีกอย่างหนึง่งเมื่อความฟุ้งซ่านราคาญใจมีอยู่ภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าความฟุ้งซ่ า, านราคาญใจมีอยู่ภายในจิตของเราหรือเมื่อความฟุ้งซ่ า, านราคาญใจไม่มีอยู่ภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าความฟุ้งซ่านราคาญใจไม่อยู่ภายในจิตของเราอันหนึ่งความฟุ้งซ่ า, านราคาญใจที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วย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 ยอมรู้ชัดว่าความลังเลสงสัยไม่มีอยู่ภายในจิตของเราอันหนึ่งความลังเลสงสัยที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดยอมรู้ชัดประการนั้นด้วยความลังเลสงสัยที่เกิดขึ้นแล้วจะละเสียได้ด้วยประการใดยอมรู้ชัดประการนั้นด้วยความลังเลสงสัยที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใดยอมรู้ชัดประการนั้นด้วย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 อย่างนี้วิญญาณอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณอย่างนี้ความดับแห่งวิญญาณธรรมานุปัสสนาอายตนะบพะดูกนภิกษุทั้งหลายยังมีข้อปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออายตนะภายในและภายนอกหประการด้วยการปฏิบัติอย่างไรภิกษุจึงจะพิจารณาเห็นธรรมในธรรม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 สังโยชน่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยย่อมรู้จักลิน้นรู้จกักรถรู้จักริ้นและถทั้งสองนั้นอันเป็นที่อาศัยบังเกิดของสังโยชน์อันหนึ่งสังโยชน่ไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยสังโยชน่เกิดขึ้นแล้วจะละเสได้ด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วย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 ย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยสังโยชน์ที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยย่อมรู้จักใจรู้จักธรรมมารมณ์แล้วรู้จักใจและธรรมารมณ์ทั้งสองนั้นอันเป็นที่อาศัยบังเกิดของสังโยชน์อหนึ่ ง, ส, งสังโยชน์ที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยสังโยชน์ที่เกิดขึ้นแล้วจะละเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วย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 ย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยอีกอย่างหนึง่งเมื่อธรรมวิจยะสัมโพชงมี no o, upon upon อย <AJ I. S 4> ู่ณภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าธรรมวิจยะสัมโพชงมีอยู่ณภายในจิตของเราหรือเมื่อธรรมวิจยะสัมโพชงไม่มีอยู่ณภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าธรรมวิจยะสัมโพชงไม่มีอยู่ณภายในจิตของเราอันหนึ่งธรรมวิจยะสัมโพชงที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใด ย, ย, ย, ย, ย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยธรรมวิจยะสัมโพชงที่เกิดขึ้นแล้วจะเจริญบริบูรณ์ด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยอีกอย่างหนึ่งเมื่อวิริยะสัมโพชงมีอยู่หน้าภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าวิริยะสัมโพชงมีอยู่หน้าภายในจิตของเราหรือเมื่อวิริยะสัมโพชงไม่มีอยู่หน้าภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าวิริยะสัมโพชงไม่มีอยู่นภายในจิตของเราอันหนึ่ง วิริยะสัมโพชงที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดยอมรู้ชัดประการนั้นด้วยวิริยะสัมโพชงที่เกิดขึ้นแล้วจะเจริญบริบูรณ์ด้วยประการใดยอมรู้ชัดประการนั้นด้วยอีกอย่างหนึ่งเมื่อปีติสัมโพชงมีอยู่หนภายในจิตยอมรู้ชัดว่าปีติสัมโพชงมีอยู่หนภายในจิตของเราหรือเมื่อปีติสัมโพชงไม่มีอยู่นภายในจิต ยอมรู้ชัดว่าปิติสัมโพชงไม่มีอยู่หนภายในจิตของเราอันหนึ่งปิติสัมโพชงที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดยอมรู้ชัดประการนั้นด้วยปิติสัมโพชงที่เกิดขึ้นแล้วจะเจริญบริบูรณ์ด้วยประการใดยอมรู้ชัดประการนัいいร้นด้วยอีกอย่างหนึ่งเมื่อปัสสัานโพชงมีอยู่นภายในจิตยอมรู้ชัดว่าปัจสถาโพชงมีอยู่นภายในจิตของเรา หรือเมื่อปัสจ si ุบันสัมพุทธชงไม่มีอยู่นภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าปัสจุบันสัมพุทธชงไม่มีอยู่นภายในจิตของเราอันหนึ่งปัสจุบันสามพุทธชงที่ <ày> ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยปัสจุบันสัมพุทธชงที่เกิดขึ้นแล้วจะเจริญบริบูรณ์ด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยอีกอย่างหนึ่งเมื่อสมาธิสัมโพุทธชงมีอยู่นภายในจิต ย่อมรู้ชัดว่าสมาธิสามโพธิชงมีอยู่นภายในจิตของเราหรือเมื่อสมาธิสัมโพธิชงไม่มีอยู่นภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าสมาธิสัมโพธิชงไม่มีอยู่นภายในจิตของเราอันหนึ่งสมาธิสัมโพธิชงที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยสมาธิสัมโพธิชงที่เกิดขึ้นแล้วจะเจริญบริบูรณ์ด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยอีกอย่างหนึ่ง เมื่ออุเบกขาสัมโพชงมีอยู่หนภายในจิตย <building> ่อมรู้ชัดว่าอุเบกขาสัมโพชงมีอยู่หน้าภายในจิตของเราหรือเมื่ออุเบกขาสัมโพชงไม่มีอยู่หน้าภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าอุเบกขาสัมโพชง์ไม่มีอยู่หน้าภายในจิตของเราอันหนึ่งอุเบกขาสัมโพชง์ที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยอุเบกขาสัมโพชงที่เกิดขึ้นแล้วจะเจริญบริบูรณ์ด้วยประการใด ย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยธรรมานุปัสสนาสั จ, จบัพะดูก่อนภิกษุทั้งหลายยังมีข้อปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออริยสัจสี่อยู่ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออริยสัจสี่อยู่อย่างไรเล่าภิกษุในพระศาสนานี้ย่อมรู้ชัดตามเป็นจริงว่า นิทุกนิทุกขสมุทัยนิทุกขนิโรธนิทุกขะนิโรธะค า, ามีปฏิปทา